ย <Book> <23. S 3> ี่สิ2สามการเรียนภาษาต่างชาติอาจารย์สอภาษาตางาคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะท o ่ไหนคุณรียนภาส คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Can d o also p o r t u g u e s k ค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยคะ่ะ Yeah, and I can also little i t a l i e n s k ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Ja synes du taler riktigt gott. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก s p r o g n e ligner hinanden ret meget. d e c h a n kender s a r å k e t godt. Jeg kan sagtens forstå dem. De Men at tale og skrive er svært. d e a a n i k e tale l l e r s k i v g t Jeg laver stadig mange fejl. ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะเราสุดทุกทีที่จะเรยกฉัการออกเสียงของคุณดีมากดินอุตตะเละเรยียคุณมีสยดคุณมีสำเนียงนิดหน่อยอคนียงดคสนงหมสำรริด่อคุณมาสำเนงหน่คุณมนงหนสม่คุณมหน ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะแม่เป็นทมุ่งมายคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะคุณไปที่สปอรูสุสคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะวิคตเลอร์ส์สิสเตมรู้ว่าดู ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะฉันไม่รู้ว่ามันเียกวดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะฉันจำไม่ได้เดิฉันลืมไปแล้วค่ะฉันลืมไปแล้ว